ชาสกุลสาวสูดลมหายใจลึกชำเลืองตาค้นหาสุภาพบุรุษไพรผู้นั้นซึ่งหลอนเห็นเขายืนพูดอะไรกรับเท่าอรชุนห่างออกไปส่วนคนอื่นๆก็อยู่ในระหว่างพลุกพล่านสับสนพูจาทักทายกันอยู่จ้าละวันเช่นเดิมคริสฉันไปติและมีความาภาคภูมิใจที่สุดเมื่อได้ยินคำพูดจากคุณอย่างนี้ เพราะฉันเองก็หวังไว้เช่นนั้นอย่างเต็มเปี่ยมและสิ่งที่คุณพูด ก, กับฉันฉันก็สัมผัสได้ว่ามันออกมาจากแกนแท้ใจจริงของคุณโดยปราศจากการเสียแสงใดๆทั้งสิ้นแล้วหล่อนก็ดึงคริสติน่าเข้ามากอดไว้ซึ่งแม่ผมทองก็โอบรัดหล่อนไว้แน่นที่สุดดารินกล่าวแผ่วเบาต่อไปว่าแต่ขอให้คุณจงมั่นใจเถด ว่าบุรุษผู้มีน้ำใจประดุดเพชรคนนั้นจะไม่มีวันล้มลงอย่างหมดแรงสิ้นหวังเพราะมัวแต่คิดถึงผู้หญิงคนที่เขารักและต้องพลัดพรากมาหรอกเขาจะต้องรับใช้ทำงานให้แก่พวกคุณได้อย่างสำเร็จผลสมบูรณ์ทุกอย่างตามข้อสัญญาซะก่อนแม้ว่าเขาจะไม่ได้พบชั้นที่นี่หรือที่ไหนก็ตามการมาด้วยกันในครั้งนี้คุณและพวกคุณคงจะได้รู้จักเขาดีแล้ว แต่ถึงยังไงก็คงไม่รู้จักธรรมชาติแท้จริงของเขาได้มากเท่าชันหรอกคุณหญิงคะพวกเรารู้แต่เพียงว่าในชีวิตของเราไม่เคยเห็นใครเหมือนอย่างเขามาก่อนและก็ไม่คิดว่าคนประเภทนี้จะมีอยู่ในโลกคุณธรรมมนุษยธรรมสัจจ์ความกล้าหาญมั่นคงและความซื่อสัตย์สุจริตในทุกด้าน พวกเราท้อแท้หมดอะไรกันแล้วจะขอถอยกลับนับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาสิเขาสิที่ยังนำเรารุดหน้าต่อไปพร้อมทั้งให้ความหวังไว้คุณหญิงคงทราบดีว่าในป่าดงกันดานที่เราผ่านกันมาแล้วนี่ไม่ว่าเขาจะนำไปทางไหนเราก็จำเป็นต้องตามเขาไปทางนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะแสวงหาทางเองได้กระทั่งในที่สุด จากสภาพที่ตายแล้วเกิดใหม่ของพวกเราคนละหลายหลายครั้งเขาก็นำเรามาสำริดตามข้อสัญญาที่ตกลงกันจนได้คริสติน่าพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือน้อยๆริมหูของดารินราชสกุลสาวลูกที่แผ่นหลังของแม่ผมทองด้วยมืออันอ่อนโยนกรุณาคริสจำไวเ้เถอะ วันนี้นะ่ะคือพรานนาทางที่ชื่อระพินไพรวันระพินไพรวันผู้ไม่เหมือนใครในโลกนี้ที่สามารถนําพวกคุณออกมาพ้นจากโลกของภูมิศาสตร์ได้และได้มาพบม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกับตาตนเองชนิดที่จะนากลับไปเล่าสู่ใครฟังก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะจะไม่มีใครที่ไหนเชื่อเป็นอันขาดถ้าเขาไม่ใช่คนมหสัจจัน ร, ร์แบบนี้ เขาจะนำทางพวกคุณมาถึงที่นี่ไม่ได้หรอกคริสแม่ผมทองขยับตัวออกจากการสวมกอดของดารินแต่มือทั้งสองยังคงจับมือของดารินไว้เช่นนั้นรอยยิ้มของคริสเริ่มจะสว่างแจ่มใสขึ้นเหมือนจะเริ่มมีความปลอดโปร่งสบายใจขึ้นกว่าครั้งแรกเพราะยังสัมผัสได้แล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีอาการตั้งแง่หรือมองตนเองไปในทางลบเลย คุณหญิงคะคุณหญิงมีความการุณาต่อพวกเรามากทีเดียวบอกตามตรงนะคะว่าครั้งแรกใน่ฉันมีความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจมากในการที่จะต้องพบป ะ, ะเผชิญหน้าทั้งทั้งที่ดีใจแต่ก็ไม่สบายใจยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันยังงั้นเหรอดารินเลิกคิ้วซ่อดยิม้มมีอะไรที่ทำให้คุณต้องคิดยางงั้นล่ะหืม เองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะว่าทําไมจะต้องคิดอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้สึกตะคิดตะขวงใจในกรณีที่ว่าเราเป็นสาเหตุให้คู่รักทั้งสองต้องพลัดพรากจากกันแต่เราไม่ทราบความจริงมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเลยเราคิดว่าคุณหญิงคงจะโกรธเรามากระพินอาจจะมาได้รับอันตรายต่างๆอาจไม่ได้กลับไปให้คุณหญิงได้พบเห็นหน้าอีกเลย ดารินสันสีสันช้ายิ้มให้อย่างปราณีอย่าคิดอะไรให้มากเลยคริสนั่นนะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมชีวิตมนุษย์ทุกคนล้วนมีวิบากกรรมด้วยกันทั้งนั้นแหละคุณพวกคุณเองก็เหมือนกันอยู่ดีไม่ว่าดีก็ต้องถูกหน่วยเหนือกำหนดให้ต้องมาสมซานยากแ้นแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอย่างนี้ฉันไม่โทษพวกคุณ และพวกคุณก็ต้องไม่โทษตัวเองด้วยควรจะเหลือไว้แต่เฉพาะความยินดีที่เราทั้งสองฝ่ายได้มาพบกันที่นี่สามารถจะทําความเข้าใจกันได้อย่างมิตรไม่ใช่มองกันแต่ละฝ่ายเป็นศัตรูเบนได้ยินคําผู้โต้อตอบนั้นอยู่ก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งเอ่ยเสียงต่ำๆว่าหมอดารินคุณเป็นคนดีมาก ดีอย่างสมควรเคียงคู่กับชายที่ชื่อระพินคนนั้นทุกประการในนามของพวกเราทั้งหมดฉันและคริสขอคาราวะให้คุณค่ะคุณหญิงคะไม่มีข้อสงสัยอะไรหลงเหลืออยู่อีกแล้วเสียงคริสติน่าพึมพำต่อไปขณะที่มองดูราชสกุลสาวอย่างชื่นชมจากใจจริง มีข้อสงสัยอะไรหลงเหลืออยู่แล้วจริงๆค่ะว่าทําไมระพินเขาถึงได้รักคุณหญิงและทําไมคุณหญิงถึงได้รักเขาก็เพราะธาตุแท้แก่นลึกของคุณหญิงและของเขานะี่ยทัดเทียมเสมอกันทุกอย่างนี่เองทําไมคุณเคยสงสัยมาก่อนอย่างนั้นเหรอคริสดารินย้อนถาม คริสติน่ายิ้มเปิดเผยออกมาเป็นครั้งแรกแต่หลบตาไปใช่ค่ะฉันเคยสงสัยเป็นอย่างมากทีเดียวแล้วคุณทําอะไรบ้างล่ะเกี่ยวกับความสงสัยในข้อนั้นคริสติน่ายิ้มนิดหนึ่งแล้วยักไหล่กอดดารินไว้อีกครั้งค่ะระพินก็คือระพินนะคะฉันอธิบายได้เพียงแค่นี้ คุณหญิงรักผู้ชายคนนี้ไม่ผิดหรอคะ่ะเขาสัต์ซื่อต่อผู้หญิงคนที่เขารักอย่างแท้จริงชนิดที่ไม่มีอะไรมาทำให้สั่นไหวเปลี่ยนแปลงได้เลยจนบางขณะนะคะดูราวกับเขาเป็นคนไร้วิญญาณฉันแทบไม่เชื่อว่าความรักความถือศักจะเช่นนี้จะมีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันด้วยมีสิคะต้องมีแน่ๆอย่างน้อยที่สุด คุณสองคนก็คงเห็นแล้วในชายหญิงคู่หนึ่งดารินเน้นเสียงชัดถ้อยชัดคำอย่างมั่นใจเต็มเปลี่ยงขณะนั้นชายันก็ก้าวข้ามาทาท่าเหมือนจะร่วมวงด้วยพร้อมกระบอกปนหัวเราะมาว่า <c oughs> อ้าวสุภาพรตรีสามคนนี่เป็นไงดูเหมือนจะมีเรื่องคุยกันยาวกว่าคนอื่นๆแฮ้ขอร่วมวงด้วยคนได้มา ราชสกุลสาวเอามือยันอกเพื่อนชายไว้แล้วผลักเบาๆบอกมาว่านี่ขอเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้หญิงก่อนดีกว่าเธอน่าไปคุยกับคเนนคิดด็อกเตอร์สแตนลีย์แล้วก็คุณเชิดวูดน่นอย่าเพิ่งเข้ามายุ่งช ย, ยันเลิกคิว้วหัวร่อฮึอหในลำคออย่างเข้าใจพยักหน้างึกงึกแล้วถอยผละออกไปโดยดี ขณะนั้นเชิฐาอนุชากำลังเข้าไปพูดจาสนทนาทักทายอยู่กับกลุ่มลูกน้องสี่คนของรพินซึ่งพากันเฮรโลมารุมล้อมเสียงแซดไปหมดและรพินกับวามิตรพรหมเมตและขุนพลเท่าอรชุนก็เข้าไปร่วมอยู่ด้วยเราได้ทราบเมื่อเช้านี้เองว่ารพินได้ไปพบกับคณะของคุณหญิงก่อนแล้วเมื่อตอนใกล้รุ่ง เราก็เพิ่งได้ทราบกันตอนนี้เองว่าคณะของคุณนะได้มาถึงแล้วก็รออยู่ก่อนนะเบลเอ่ยขึ้นต่อมาอย่างเป็นกันเองถูกต้องคะ่ะเบลเขาได้มาพบเราก่อนแล้วตอนกลางดึกระหว่างที่พวกคุณนอนพักหลับกันอยู่เพราะทางฝ่ายมรกฎนครนะต้องการให้เขาได้มีโอกาสพบกับเราก่อนที่จะมาพบกับทั้งกลุ่มในวันนี้ดารินรับโดยตรง แล้วเขาพูดถึงฝ่ายเรายังไงมั่งล่ะคะคุณหญิงคริสติน่าถามเบาๆเหมือนจะเป็นการหยั่งเสียงระพินเขาก็บอกกับเราว่าพวกคุณคือนายจ้างและมิตรที่ดีที่สุดของเขาโดยเฉพาะคุณสองคนคะ่ะหลอนมองหน้าคริสและเบลสลับกันใบหน้ายังละไมไปด้วยรอยยิ้มแล้วเขาก็บอกว่า พวกคุณมีความการุณากับเขาดีมากระหว่างที่เขาเจ็บป่วยจากคำพูดของเขาฉันรับรองได้ค่ะว่ารบพินรักพวกคุณทุกคนซึ่งพวกคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วออขอถามอะไรคุณสองคนหน่อยได้ไหมเมื่อครู่นี้ก็มัวแต่ตื่นเต้นที่ได้พบกันมัวแต่พูดกันถึงเรื่องอื่นหมดคือฉันสงสัยว่า พวกของฝ่ายชั้นได้รับคําสั่งให้เดินทางมาที่ท้องพระโรงที่ออกราชการแผ่นดินนี้ทีหลังพวกคุณแต่เมื่อเรามาถึงที่นี่พวกคุณไปอยู่เสที่ไหนล่ะไม่ได้เข้ามาในสถานที่นี้ก่อนแล้วหรอกเลยคือเราได้รับคําสั่งโดยอ้างว่าเป็นคําสั่งของพระราชินีผู้สําเร็จราชการแผ่นดินที่นี่เนะี่ยให้เดินทางมาเพื่อพบปากับฝ่ายของคุณเบนเป็นคนพูดขึ้น พวกเรายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามายังปราสาทใหญ่แห่งนี้แต่ให้รออยู่ที่ตำหนักแห่งหนึ่งก่อนเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องรออยู่ที่นั่นจนกระทั่งเป็นเวลานานพอควรทีเดียวทหารจึงไปนนำเรามาที่นี่แล้วก็ได้พบกับพวกคุณยืนรอยอยู่แล้วนี่พวกคุณยังไม่ได้มีโอกาสพบกับราชินีผู้สําเร็จราชการแผ่นดินเลยเหรอทั้งคริสและเบล สันสีษะงยังเลยค่ะเรายังไม่มีโอกาสได้พบเห็นเลยค่ะดารินพยักหน้าช้าๆบัดนี้หล่อนเริ่มเข้าใจแล้วเมยานีให้เกียรติฝ่ายของหล่อนมากกว่าโดยยังไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายของสแตลลีเข้าเฝ้าหรือพบเห็นเลยเราคอยให้พวกหล่อนมาถึงพร้อมซะก่อนอย่างที่แห่งนี้จึงให้นําคณะของสเตลลีเข้ามาภายหลัง ซึ่งตัวนางเองก็ปรีหลบไปซะรอให้ได้มาพบปากกระตามลำพังทั้งสองฝ่ายตามสบายก่อนเพราะฉะนั้นฝ่ายของอเมริกันจึงยังไม่มีโอกาสได้พบเห็นหรือเข้าเฝ้าเลยทั้งทางด้านส่วนตัวหรือทางการคงพบก็แต่เพียงขุนพลเท่าอรชุนและข้าราชบริพารเท่านั้นฉันเข้าใจว่าอีกสักครู่พระราชนีคงเสด็จออกมาที่แท่นหน้าบันลังนั้น และคงจะบอกหมายกำหนดการให้เราทั้งหมดรู้ว่าพวกเราจะได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวไปไหนยังไงมั่งสิ่งที่เรายังมืดมนอยู่ในขณะนี้ก็คือมหากษัตริย์จักราราชผู้ครองแผ่นดินไม่ทราบประสงค์ทำอะไรประทับอยู่ที่ไหนและจะให้เราเข้าเฝ้าได้เมื่อไหร่ยังไงอีกประการหนึ่งก็คือซากเครื่องบีห้ของพวกคุณที่มาอับปางอยู่ที่นี่ค่ะพวกเราก็กําลังรอฟังข่าวอยู่เหมือนกันละ ว่าทางมรกรณครจะอนุญาตแก่เรายังไงในขอบเขตแค่ไหนแล้ววันนี้เราจะทำอะไรได้บ้างคริสติน่าบอกมาโดยเร็วถ้าอย่างนั้นก็ใจเย็นๆไว้ก่อนนะประเดี๋ยวก็คงจะรู้ละ่ะเอาละ่ะเราคงจะมีเวลาคุยกันอีกมากภายหลังตอนนี้ขอให้ฉันได้มีโอกาสไปพบกับลูกศิษย์สี่คนของดรพินนั่นก่อนนะตั้งแต่โผล่เขามายังไม่ได้พูดกันซักคาเขาก็เป็นคนของฉันเหมือนกัน แต่พวกคุณโชคดีที่มีพวกเขาทั้งสี่คนติดสอยห้อยตามประพินมาด้วยทุกคนเป็นพรานมือดีและสามารถจะรับคำสั่งจากพรานใหญ่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในป่าได้อย่างวิเศษสุดวางใจได้เสมอทั้งฝ่ายฉันซะอีกที่ทเสี่ยงมากมีพรานแก่ๆมาเพียงแค่คนเดียวคือหนานอินแล้วก็เจ้ากระเรลียงร่างใหญ่ที่ชื่อขยินคนนั้นมาเป็นเพื่อนแค่สองคนเท่านั้น แต่ทางเราก็มีปฏิหารมาถึงที่นี่ได้ก่อนพวกคุณซึ่งมีระพินเป็นผู้นำทางเสียด้วยซ้ำไปว่าแล้วดารินก็ตกแขนทั้งสองแหม่มสาวเบาๆพลางขยับจะออกเดินปรีกตัวไปยังกลุ่มพรานพื้นเมืองของระพินแต่ชะงักหันกลับมาเมื่อเบรีเรียกมาเบาๆว่าหมอดารินรอเดียว ทั้งสองคนถ้าคิดว่าฉันเป็นเพื่อนหล่อนบอกมาปนหัวเราะชี้มาที่คริสติน่าและเบลผู้กําลังจะ ก, ก้าวตามหลังมาเบลอย่าเรียกฉันว่าหมอดารินนะแล้วก็คริสติน่าด้วยอย่าเรียกฉันว่าคุณหญิงเอาเป็นว่าเรียกง่ายๆว่าน้อยคําเดียวแล้วกันง่ายๆดีเข้าใจไหม ทั้งสองมองดูหน้ากันเองนิดหนึ่งแล้วหันมายิ้มให้หล่อนบอกมาอย่างง่ายๆว่าวตกลงน้อยดีมากอ่ะเบรเรียกฉันตะกี้มีอะไรเหรอก็ไม่มีอะไรหรอกก็ไม่ได้มีเรื่องสําคัญอะไรอ่ะไปไปไปพบคนเก่าแก่ของเธอสักก่อนก็ได้น้อยเดี๋ยวร้อยก็ค่อยมาคุยกันดีหลังเนาะ บุญคำจันเกิดและเสยซึ่งขณะนี้กำลังยืนผู้ดเจียวเจ้าอยู่กระเชษฐาอนุชาชายันรวมทั้งขยินและนานอินพอเหลือบมาเห็นหนายหญิงเดินปรีเข้ามาทั้งสีก็พละออกจากกลุ่มนั้นเฮลโลกันเข้ามารุมล้อมรอบตัวหญิงสาววัยแต่เบงเสียงแซ่ดจนฟังไม่ได้สับไปหมดพวกนั้นแสดงออกถึงความปิติยินดีที่ได้พบเห็นหลอนอย่างล้นเหลือ และเป็นการแสดงออกมาจากความรู้สึกโดยไม่จำเป็นจะต้องระมัดระวังสะกดกลั่นทั้งสี่คนกระโดดโลดเต้นอยู่รอบๆตัวลอนมีอาการเหมือนอยากจะช่วยกันจับอุ้มแล้วโยนขึ้นฉะนั้นดารินเองขนาดนี้ก็ได้แต่ยืนหัวเราะทั้งน้ําตาอยู่กลางวงล้อมของพวกนั้นตื้นตันจนพูดอะไรไม่ออกอยู่พักใหญ่ได้แตเ่เรียกชื่อแต่ละคนแล้วเอื้อมมือไปจับเนื้อจับตัวไว้อย่างรักสนิทใจที่สุด บุญคำนั้นถึงกระคว้าเอามือนายหญิงขึ้นไปวางไว้บนกระบาลอันเต็มไปได้วยเส้นผมขอดหยิกหยอยของแกชโยชะโยนม่จะวระคุณทุนหัวนายหญิงของบุญคำคิดถึงคิดถึงเหลือกนคิดว่าชาตินี้พวกเราทุกคนคงไม่มีวาสนาได้เห็นนายหญิงอีกแล้วนึกไม่ถึงจริงๆว่าพอโพลก็ามาถึงเมืองของไอ้งาทรา ย, ายจะได้เห็นนายหญิงกับบรรดาเจ้านายทั้งหลาย มารอคอยอยู่ก่อนแล้วเห็นครั้งแรกนะ่ะนึกว่าตาฟาดเสียงบุญคำรำพันเร็วปรือลิ้นพันกันดารินเอามือจับแก้มเหียเห่ยวต อ, ต, อตอบของสมุนขวาจอมกะล่อนของระพินไว้บีบสั่นโดยแรงนี่ฉันก็คิดถึงบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยทุกคนเลยดีใจจนบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ ทุกคนสบายดีปลอดภยดัยดีเหรอบุญคนะําน่ะแห้เหลือแต่กระดูกแล้วนะจันก็หน้าดําเหมือนฐานเชียวเออเกิดดูแข็งแรงเป็นหนุ่มชะกันขึ้นมากน่ะเราส่วนเสยนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะตาทางยังแข็งแรงดีทุกคนยิ้มแปน้นรุมล้อมแข่งกันพูดอยู่กันหล่อนจนดารินต้องยกมือขึ้นโบกแล้วร้องเสียงหลงเดี๋ยวสิพูดกันดีละคนเนี่ยหูอื้อหมดแล้ว พอวกฮนุมานทหารระรามทั้งหลายเสียงหนานอินซึ่งเดินตามเข้ามาหยุดยืนยิ้ ม, ย, มยิ้มอยู่ด้วยรองบอกมาว่าพวกเอ็งสี่ตัวนะ่ะรุมกันเข้ามายังก็จะฉีกถึงนายหญิงให้กลายเป็นผงนั่นแหละค่อยๆพูดค่อยๆจาทักทายนายหญิงท่านก็ได้เวนเฉยเฮอพีออ่อินเฉยเฉยเฉยนายหญิงนะ่ะเปรียบเหมือนแม่พวกข้าทุกคน พี่อินพานายหญิงมาถึงที่นี่ได้น่ะดีแล้วแต่นายหญิงเป็นอะไรลงไปแล้วก็ทั้งพี่อินทั้งไอ้เคยินถูกพวกขา้ารุ้งเหยียบจมธรณีแน่ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดเหมือนกันน่ะตะคาหันไปแยกเคี้ยวบอกออี่พวกเองนะ่ะห่วงแต่นายหญิงเท่านั้นเองเด้อนายใหญ่นายกลางนายทหารชยันแล้วก็ข้ากับลุงอิ น, นพวกเองไม่คิดห่วงกันมั่งเหรอ คยยินสอดเสียงเห่าๆมาอีกคนเฮ้ยพวกข้าก็ห่วงเจ้านายทุกคนน่ะเลยวะแต่ห่วงนายหญิงมากกว่าท่านเป็นผู้หญิงตัวแค่นี้เองอุตส่าห์ดันเดินมาตามพวกเราแต่สําหรับเองอ่ะไอ้เคยึกขยินเองกับลุงอินสองคนนะ่ะข้าไม่ได้ห่วงเลยสักนิดนึงพระรู้อยู่ว่าถึงป่าจะถลม่มถึงภูเขาจะทะลายเองสองคนกับตัวรอดได้วะยังข้ามเหรอวะ บุญคำพูดพลางก็เวี่ยงลูกแป้ไปที่ก้นเจ้าขยินลูกไล่เก่าดังป้าดแล้วหันไปคว้าข้อมือนายหญิงอีกแต่จันปัดมือแกเฉยออกไปรีบแย่งมือของดารินไปกำไว้อย่างแน่นหนานายหญิงจันน่ะไม่คิดว่านายหญิงกับพวกเจ้านายทั้งหลายจะใจเด็ดถึงขนาดนี้นะที่ตามมาเอา้าทำไมอ่ะเห็นฉันและพวกฉันเป็นไงไปแล้วเหรอ เราไม่เคยร่วมเป็นร่วมตายมาันมาก่อนนีไ่ไงจันท์ดารินว่ายิมจิมกํามัดต่อยคางจันทร์บเบาแล้วโอบมือทั้งสองข้างไปคว้าคอเกิดกระเซยไว้คนละข้างเขย่าไปมาอย่างเอ็นดูปากก็ถามมาว่าไงเราสองคนอะไม่เสียแรงเลยนะที่เป็นลูกศิษย์ของระพินยังเก่งกล้าสามารถเหมือนเดิมดิสองครานหนุ่มยิ้มยิงฟัน พวกเราสี่คนไม่มีใครลืมนายหญิงเลยครับถึงไม่มีนายหญิงมาด้วยกับคณะของพวกเราเราก็คิดถึงนายหญิงอยู่ตลอดเวลาคิดทุกวันเลยยิ่งปวดหัวตัวร้อนยิ่งคิดถึงนายหญิงมากขึ้นไปอีกอะอ้าวทาไมอะ่ะก็แมมคริสกับแหม่มเบนเขาก็เป็นหมอเขาไม่รักษาพยาบาลหรือมีความเมตตาปราณีกระเกิดกระเสริดอกเลยดารินพูดบนหัวเราะเกิดเสียงอ่อยลงโถนายหญิง แห ม, มเบนกับแห ม, มคริสแกก็กดีอยู่หรอกแต่ใจเหมือนนายหญิงของพวกเราได้ไงนายหญิงคงลำบากยากแค้นมากทีนะที่มาในครั้งนี้แล้วก็คงไม่มีใครดูแลรับใช้นายนหญิงได้ดีไปกว่าพวกเราสี่คนด้วยจะลำบากขนาดไหนฉันก็ต้องทนแล้วก็ผ่านพ้นมาได้แล้วละ่ะและเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีความเหนื่อยเหลืออยู่เลยเมื่อมาเจอหน้าพวกเราทุกคนเหมือนอย่างที่หวังไว้ทั้งๆ ท, ที่เป็นความหวังลมๆแรงๆเหลือเกิน ขอบใจบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยมากนะที่ไม่ยอมทิ้งเจ้านายอุตสาติดตามมาด้วยในครั้งนี้โธ่พูดอะไรยังงั้นล่ะหนายหญิงบุญคำไงพวกนี้ใครจะไปทิ้งนายระพินก็นได้แกมาผูกไอคำก็ต้องมาปล่อยแกนำทางมาคนเดียวได้เมื่อไหร่ต้องตามมาเป็นทศกณัณฐ์เอาไว้แหละประโยคท้ายบุญคาแผ่วเสียงลง และทําบุยาบป้ายปากไปทางด้านคริสติน่าและเบลซึ่งขณะนั้นกําลังยืนสนทนาอยู่กับเชษฐาและอนุชารวมทั้งเชิดบุษอีกกลุ่มหนึ่งดารินโอมยิ้มรีตาให้พูดเสียงหนักๆในลําคอนี่พวกบุญคำน่ารักที่สุดก็ตรงนี้แหละแล้วยังไงทศกัณฐ์ทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนล่ะบุญคาทาหน้าขึงขังโอ้ย รับรองนายหญิงแต่ดีตัวไปไหนไม่ได้หรอกนายหญิงบุญคำนะ่ะเฝ้าตลอดย4สิบี่ชั่วโมงของแต่ละวันเลยนะลองดูสิยืนคำขาดไปแล้วว่าต้องหา้ามขืนฝาฝืนวินัยบุญคำจะถองียตั้งคู่แหละและแกก็อ้าปากหัวร้อแบบไม่มีเสียงชำเลืองหาระพินเมื่อเห็นเขายืนอยู่ไกลออกไปก็ค่อยๆหัวเราะดังออกมา ดารินหัวรอคิกิ๊กิ๊เอาเนิ้วดีดหน้าอกแกโดยแรงฮไอ้ที่ว่าเฝ้านะี่ยเฝ้ารับพินหรือว่าเฝ้าแมมกันแน่เฝ้าแมมนายหญิงเฝ้าตอนจะลงอาบน้ําไก้ตอนพลัดผ้าแถมมีกล้องด้วยนะนายหญิงจันกระสิบกับนายหญิงหน้าตาเฉยตาคําร้องเจีย๊ย ดาขมวงโฉงเฉงขยับตีนร่าขึ้นแต่จัน์ก็รู้ทันหมุนตัวไปบังอยู่หลังหนานอินซะครูพันยกมือขึ้นชี้หนา้ามึงมึงมึงแตมึงทีมาถู ก, กู้แล้วก็กูจะร้อฝันกระรอกที่มีอยู่สองซี่ของมึงออกซะด้วยดามปืนเนี่ยไอ้เท่าทธมลนตะคาเบะปากใส่ขยับท่าขึงขังนิดนึงแล้วก็ค้อนควับหันไปพูดประจบประแจงนายหญิงตามเดิม แกกล้าเตะคนในป่าทุกคนได้ไม่เลือกหน้าไม่กล้าอยู่คนเดียวก็ตะนันอินเท่านั้นแหละเพราะคนละรุ่นกันบุญคำไม่ได้เฝ้าแมมยังงั้นน่ะไายหญิงอย่าไปฟังเสียงไอ้ปากหมาจันบุญคำนะ่ะคอยดูแลนายรพินไว้ไม่แก่ทำอะไรนอกลู่นอกทางเตือนให้แกคิดถึงนายหญิงไว้มากๆนายหญิงนายหญิงอย่าไปเชื่อบิคัา จะไปห้ามอะไรนรายรพินได้มิแต่จะถูกถีบออกมาถ้านายระพินกันไม่ใช่คนดีด้วยตัวเองสักอย่างจัน์พูดแทรกขึ้นสองรอยท่ามกลางเสียงหัวเราะหยอกเย้ากันอย่างคึกครืน่นจันพูดมาจากเบื้องหลังของนานอินที่เข้าไปแอบบางไว้บอกมาอีกดารินหัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งการได้มาพบหน้าพรานพื้นเมืองทั้งสี่คนของระพิน ทำให้หล่อนเป็นสุขอย่างที่สุดแทบจะลืมเรื่องอื่นๆหมดสิ้นเพราะพวกนี้มีอารมณ์ขบขันสนุกสนานอยู่เสมอต่อให้อยู่ท่ามกลางมหาวิบัติภัยสักขนาดไหนก็ตามยังไงเขาเป็นคนดีหรือเปล่าล่ะดีจริงอย่างที่ฉันคิดฉันหวังไว้ไหมหล่อนถามไปยังทั้งสี่คนนายรพินเป็นคนดีจริงๆนะนายหญิง พวกเรารับรองได้ทั้งสี่คนพูดพร้อมกันเรากันนัดกันไว้ไม่โกโหกกันนะพูดมาตามตรงดารินแทงปั้นหน้าขึงขังคาดคันมาใครโกโหกมัง่งใครปิดบังอะไรนายหญิงไว้วอูจะกระทืบบุญคำชี้หน้าไปยังลูกน้องทั้งสามที่ยืนยิ้มยิ้มอยู่ทีละคนด้วยสีหน้าจริงจัง แล้วหันมายิ้มยิงฟันกันนายหญิงบอกมาเสียงอ่อยๆว่าไม่มีใครกล้าโกโหกนายหญิงสักคนทุกคนพูดจริงทั้งนั้นแหละนายหญิงไอ้ที่ว่าพูดจริงอะจริงยังไงดารินรุกมาอีกก็จริงว่ะหมอมสองคนนะ่ะช่วยกันปล้ำนายระพินอุ๊ปากเสียแล้วกูประโยคสุดท้ายบุญคำทำคอยน่นเอามือตะครุบ ป, ปากตัวเอง อ่ดาริ้นร้องอะไรออกมาคํำนึงแล้วหันมาถามจันเกิดแล้วก็เสยไงยที่ตะคําพูดนะจริงเหรอจันเกิดว่าไงเสยโธไปเชื่ออะไรลุงคำกันล่ะครับนายหญิงก็เขพูดอะไรสรงเดชของเไปทุกวันนั่นแหละแกก็โตเพราะกินข้าวเท่าเพร อ, อยู่นานแหละเซยบอกยิมย้มยิ้มตาคําหันมาทําปากจุทําำท่าจะเล่นงานเสยอีก นายหญิงจุปากปเบาๆคว้าคอแกได้ก็พาเดินล่ากออกมาห่างจากคณะเล็กน้อยครั้งแรกหล่อนแท้งปั้นหน้าเครียดแต่พอห่างพวกนั้นออกมาหญิงสาวก็หัวเราะออกมาอย่างราเริงเป็นสุขนี่นายหญิงนายหญิงอย่าไปขาดขันอะไรนายราพินานะบุญคำก็พูดเล่นไปนงั้นเองแหละแกบอกมาเสียงอ่อยๆยิ้มแห่งแรง นายหลอกบุญคำฉันไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักนิดหนึ่งตั้งแต่ออกเดินทางติดตามมันนี่นะก็ไม่เคยหัวเราะ อ, ออกเลยเพื่อจะมาหัวเราะได้เต็มเสียงก็เมื่อตอนพบหน้าพวกบุญคํานี่แหละไงพวกบุญคําปลอดภัยเรียบร้อยดีเหรอประโยคหลังหล่อนพูดขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการพวกบุญคําก็ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนายหญิงแต่นายรพินเดินทางมาคราวนี้นะ่ะแย่กว่าครั้งก่อนมาก หลุมป่วยแถบตายอยู่หลายครั้งใจฝรั่งพวกนั้นมันก็ช่วยกันดูแลรักษากันสุดฝีมือเลยเพราะมันรู้ว่านายตายสักคนเดียว่พวกมันก็แย่แล้วพวกเขาดีกับพวกเราทุกคนไหมล่ะฮเด็กแรกก็แย่ละไหนหญิงบุญคํากะจะหลอกไปให้ตกเหวหลายครั้งแล้วแต่พอมาด้วยกันนานๆมันก็ดีไปเองในป่าแล้วขืนไม่ดีกับนายระพินกับพวกบุญคํามันก็โง่สิ แมมสองคนเป็นไงมั่งดารินกระสิบถามเบาที่สุดเฮ้ยนายหญิงรายยิ่งกว่าแมมมาเรีทั้งสองคนหละบุญคํากระซิบเบาที่สุดเช่นกันน้ําเสียงจริงจงังหมดแววเล่นคนองชั่วขณะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ตะบักของนายรพินแตกไปได้รกนายหญิงส่วนด้านฝีมือและน้ําใจนะก็ถึงขีดด้วยกันทั้งคู่เก่งมากทุกอย่างจะดูถูกว่าเป็นผู้หญิงไม่ได้นะ ดารินพยักหน้าตบไหลเอาละแค่นี้ฉันก็พอใจได้ละหล่อนพูดได้เพียงแค่นั้นจันเกิดเสยแล้วก็ขยินก็แห่ตามเข้ามารายล้อมไว้อีกทำให้สภาพการพบปะตามลำพังระหว่างหญิงสาวกับบุญคำไม่อาจกระทำได้นานนักทั้งๆที่หล่อนมีเรื่องส่วนตัวอยากจะซักถามบุญคำโดยเฉพาะอีกมากดารินหันไปยินรับพวกนั้นและพูดรวมๆขึ้นว่า ฉันอยากจะพบเกรเลียงสองคนที่ชื่ออุทะละพะโต้จากหมู่บ้านตะเคียนทองที่อาสาสมัครมาแทนลูกหาบหนองน้ำแห้งสองคนที่ตายไปเนะี่ยเพราะได้ยินนายหญิงบอกความจำนงเช่นนั้นจันก็หันไปทางกลุ่มพวกลูกหาบทั้งสองฝ่ายที่รวมหมู่พูดจาสนทนากันอยู่และตะโกนไปว่าเฮ้ยไออุทะพะโตมานี้นายหญิงต้องการพบเองสองคน สองกระเรียงหนุ่มลูกบ้านตะเคียนทองซึ่งขณะนี้ยืนสงบสงเง่ยมอยู่ในกลุ่มของพวกลูกหาบทั้งสองฝ่ายพากันเดินหน้าตื่นตืนเข้ามาตามคำสั่งแล้วก็มาหยุดยืนตีหน้าเซ่อเซโง่โงอยู่ตรงหน้าดารินผู้ซึ่งจ้องพิจารณาอยู่ก่อนแล้วด้วยอาการยิ้มเมตตาไงเจ้าคืออุทะแล้วก็พัโตใช่ไหมหลอนเอ่ยทักเสียงนุ่มๆเต็มไปด้วยความการุณา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 ที่พวกตะเขียนทองของเจ้าน่ะพากันอพยพหนีภัยจากโขงช้างไปอยู่รวมกันเราได้พบเสะเอิงแล้วก็พวกเจ้าที่นั่นแล้วก็รู้เรื่องราวทั้งหมดจากการบอกเล่าของเสอเอิงละ่ะทั้งอุทะและพระโตมีสีหน้าตื่นยิ่งขึ้นมองหน้ากันเองอีกครั้งแล้วอุทะก็ถามขึ้นว่านายนายพบเสอเอิง e เหรอเรียกท่านว่านายหญิงสิโวย เองสองคนรู้ไว้ซะด้วยว่าท่านน่ะคือเจ้านายของพวกข้าเหมือนเมือนกับนายรพินเหมือนกันบุญคำบอกมาทั้งสองซึ่งยิ้มยากอยู่แล้วจึงยิ้มออกมาแบบแห้งๆ น, นายนายหญิงนี่ฉันพบสะเอิงและก็พวกของเจ้าทุกคนที่ห้วยเสือรองนะดารินพูดช้าๆในลักษณะเล่าให้ฟัง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 เราได้ทราบข่าวจากสะเอิงในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าทั้งสองคนหมดแล้วละ่ะแล้วก็รู้ล่วงหน้ามาก่อนด้วยว่าอุทาและพระโต้นะี่ยอาสาเป็นลูกหาบมากับคณะของพรานระพินขอชมเชยนะว่าเจ้าทั้งสองเป็นบุคคลที่กล้าหาญมากที่อาสาเดินทางมากับคณะของเขาในครั้งนี้ทดแทนในกระสองคนที่ตายไปในครั้งนั้นและเราก็ขอขอบใจเจ้าแทนระพินด้วย พระโตยิยม้มแย้มแจ่มใสบริสุทธิ์นายราพินช่วยชีวิตอูทากระพระโต้ไวคนผิวขาวพวกนั้นก็ช่วยรักษาพยาบาลเสอเอิญให้รอดตายคนของนายราพินขาดไปสองคนอูทากระพระโต้ก็เลยสมัครแบกหามของมาให้แทนคนของนายราพินทุกคนก็เป็นเพื่อนของอุทาและพระโต้คุ้นเคย ให้การช่วยเหลือพวกเราที่ตะเคียนทองมาก่อนทั้งนั้นดารินพยักหน้าลงอย่างพอใจเจ้าสองคนปลอดภัยดีเหรอระหว่างการเดินทางอะ่ะปลอดภัยดนีนายหญิงนายรพินทำให้ทุกคนอบอุน่นแม่หนทางจะยากลำบากนายหญิงตามมาพบเสอเอิมเมื่อไหร่ล่ะประโยคหลังอุทะเป็นคนถามขึ้น ก็ประมาณเจ็วันนี้แหละหลังจากคณะของนายราพินได้ล่วงหน้าจากข้อยเสือร้องมาแล้วนายหญิงตอนที่นายหญิงพบน่ะสะเอิมหายดีหรือยังเขาก็ค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วล่ะนะแล้วก็ฝากความคิดถึงมาถึงเจ้าสองคนอันเป็นเพื่อนของเขาด้วยถ้าหากฉันติดตามมาจนพบเจ้าเขาสั่งให้บอกว่าเขาคิดถึงเจ้าทั้งสองคน แล้วก็พวกพ้องพี่น้องของเจ้าที่ห้วยเสือร้องทั้งหลายก็หวังรอการกลับของเจ้าทั้งสองอยู่ขอบคุณนายหญิงทียวข่าวมาบอกเราทั้งสองคนขณะนั้นเองเมื่อเห็นโอกาสเหมาะคณะลูกหาชุดของระพินภายใต้การนําของนายตาบอันเป็นลูกบ้านน้องน้ําแห้งทั้งหมดก็พากันเดินตรงเข้ามาที่ดารินซึ่งทุกคนล้วนรู้จักกันดีอยู่แล้ว ตัวนายตาบเองนาะยยกมือขึ้นไหว้และคนอื่นๆก็ยืนล้อมยิ้มแย้มยินดีอยู่ทั่วหน้าด่ารินทักทายผู้จาทั่วทุกคนในที่สุดเราก็ตามกันจนพบนะทั้งๆเต็มเมฆคิดเลยว่าจะได้พบแล้วก็เสียใจสําหรับสองคนที่เมียนเป็นไปต้องเสียชีวิตตอนปะทากาหลงช้างผีสิงแล้วก็มันไรด้วยชุดของนายตาบพากันหน้าสลดลงนิดนึง เมื่อย้อนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาอันทําให้พรรคพวกต้องตายไปถึงสองคนมันก็เป็นคราวเคราะห์จริงๆของจริงๆอิงอะนาหญิงแม้แต่นายรพินก็ยังไม่อาจจะช่วยไว้ได้เลยแต่สองคนที่ตายไปแล้วอ่ะนายรพิน์ก็รับรองที่จะรับอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ของสองคนนั่นต่อไปเมื่อกลับไปถึงหนองน้ําแห้งถึงนายฝรั่งก็รับที่จะชดเชยค่าชีวิตให้พวกเราแปลกใจเนะ ไม่เชื่อว่านายหญิงและพวกของนาย ใ, ใหญ่จะกล้าเสี่ยงชีวิตมาตามนายรพินกับพวกเราในครั้งนี้อ่ะนายตาบเป็นคนพูดขึ้นมาอย่างนอกน้อมในชวนที่มากับฝ่ายฉันคงจะเล่าให้นายตาบฟังแล้วนะว่าพวกเรามีการเคลื่อนไหวยังไงก่อนที่จะออกจากหนองน้ําแห้งเดินทางติดตามมาในครั้งนี้ฝ่ายฉันน่ะมาเริ่มต้นที่หนองน้ําแห้งแล้วก็ต้องอาศัยพวกลูกบ้านหนองน้ําแห้ง เคยเป็นคนแบกหามเข้าของอีกนั่นแหละพวกฉันตามมาก็เพราะความเป็นห่วงทุกคนไม่ได้ห่วงเฉพาะนายรพินเท่านั้นหรอกแล้วอย่างไม่คาดฝันเลยนายตาบก็เอ่ยขึ้นเบาๆอย่างตรงไปตรงมาชนิดที่ทำให้ดารินฟังแล้วยืนคอแข็งว่านายหญิงถ้านายหญิงไม่พล่าทิ้งนายรพินไว้ที่หนองน้ำแห้งคนเดียวอย่างนั้นน่ะ นายราพินก็คงไม่ถูกฝรั่งมันบังคับไปต้องนำทางมาแทบตายอย่างนี้หรอกลําพังฝรั่งอะมันบังคับไม่ได้หรอกนายหญิงแต่นายหญิงคงรู้เรื่องดีแล้วว่าหลวงอนะบังคับนายราพินทางอ้อมด้วยมันเป็นราชาการงานรับงานหลวงคนไทยเราก็ต้องยอมฝรั่งมันอยู่เรื่อยะไม่ใช่ขี้ข่าก็เหมือนขี้ข่าแหละราชสกุลสาวฝืนยิม้มพยักหน้ารับอย่างสงบ ใช่มันเป็นความผิดของฉันเองแหละที่ทิ้งเจ้านายของทุกคนไว้ตามลําพังที่หนองน้ําแห้งนั่นก็เขาสัญญากับฉันไว้แล้วนี่ว่าจะไปพบชั้นเอาเราลืมมันซะเถอะเรื่องนี้ต่อไปนี้ไม่มีวันที่ฉันจะยอมให้เขาห่างตาชันอีกแล้วล่ะทุกคนเป็นพยานด้วยและกันในเรื่องเนี้ยทั้งสองฝ่ายทุกคน ได้มีเวลาพบปะเสวนาปราใสกันและกันเป็นเวลาพอสมควรทั้งกลุ่มระดับเจ้านายของทั้งสองคณะและทั้งพวกลูกหาบอันเป็นลูกบ้านแห่งเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มของเชษฐาและกลุ่มของด็อร์สแตนลีย์ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความพอใจในอัธยาศัยไมยตรีจิตซึ่งกันและกันเกินกว่าที่ได้เคยคาดหวังไว้ในครั้งแรกๆ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 มหาราชินีสเสด็จออกเมื่อนั้นทั้งหมดก็ถูกปลุกขึ้นจากสภาพการพบปะสนทนาในทันทีและโดยไม่ต้องมีผู้ใดสั่งการหรือต้องนัดแนะกันแต่อย่างใดทั้งสิ้นต่างฝ่ายดูเหมือนจะรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วกลุ่มของเชิดฐ้าเข้ามาตั้งแถวอยู่ในที่ทางเดิมของตนเป็นขบวนอย่างเดิมและกลุ่มของสแตนลีย์ อันมีระพินร่วมอยู่ด้วยก็แยกออกไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลายเป็นสองคณะทั้งหมดยืนอย่างสำรวมมีระเบียบหันหน้าไปทางวิสูต์ใหญ่อันขึงกั้นอยู่ด้านหลังของบัลลางสายตาทุกคู่พุ่งจับไปยังตำแหน่งนั้นเป็นตาเดียวกันท่ามกลางความเงียบสงับ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 และมาสนระไทยจับจ้องนิ่งเป็นพิเศษอยู่ทางด้านของอาคันตุกะชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาปรากฏกายอยู่ในท้องพระโรงซึ่งบัตรนี้เข้าแถวยืนเรียงรายระวังตรงกันอยู่ฝ่ายของสแตลีทั้งหมดรวมทั้งกลุ่มพลานพื้นเมืองและพวกลูกหาทั้งหลายขณะ น, นี้พากันจ้องอย่างตะลึงงันไปยังร่างนั้นยกเว้นรพินไพรวันคนเดียว ที่มองขึ้นไปอย่างสงบราบคาบในความรู้สึกบรรยากาศอันเงียบขนาดเข็มตกก็คงได้ยินณสถานที่นั้นได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งอาจยามีพลกล่าวเสียงขุนพลออรชุนกราบบังคมทูลขึ้นด้วยเสียงอันดังกังวานไปทั่วบัดนี้ คณะอาคันตุกะต่างแดนที่มีท่านพรานรพินเป็นผู้นำทางมาและข้าพระองค์ได้ไปดักรอคอยรับขบวนของพวกเขาได้มาปรากฏกายเฝ้าอยู่แทบเบื้องพระบาทแล้วทั้งคณะทุกคนได้ยืนเฝ้าอยู่ทางแถวซีขวานี้ทั้งหมดพระเจ้าค่ะพร้อมกับเสียงประกาศนั้น ผู้เฒ่าอรชุนก็ชี้ไปทางแถวของระพินพระราชินีน้อมเสียนลงนิดหนึ่งพร้อมกับรอยยิ้มที่เผยกว้างออกไปอีกขอพระคุณท่านพ่ออรชุนเป็นอย่างมากที่ปฏิบัติภารกิจตามพระบรมราชองค์การลุล่ลวงเรียบร้อยไปได้ทุกอย่าง สุรเสียงหวานใสดังตอบออกมาอย่างแช่มช้าชัดเจนเหลือบเนตไปทางคณะของเชษฐาซึ่งพากันยืนอยู่ทางซีกซ้ายนิดหนึ่งสวนออกมาเบาๆแล้วแปรไปจับยังคณะของดอกเตอร์สแตนลีย์ผู้พากันยืนระหวังตรงจ้องตะลึงโฉมอยู่ในขณะ น, นี้ตามเดิมแล้วเอื่อนเอ่ย เป็นการดำรัดทักทายทางฝ่ายของคณะด็อเตอร์สแตนลีย์ขึ้นว่าในนามแห่งจักราชิราชเจ้าราชฐานมรกรนครแห่งนี้ยินดีในการมาถึงของพวกท่านอันเป็นอาคันตุกะจากโลกภายนอกและขอต้อนรับทุกท่านขอให้ทำตัวให้สบายเหมือนหนึ่งได้อยู่ในบ้านเมืองของท่านเอง พระพินไทยวันก้มศีรษะลงโค้งคำนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณล้นเกล้าเหล่าข้าพระองค์ทุกคนที่ยืนอยู่ณที่นี้ขอถวายสักการะแด่องค์จั ก, กราธิราชและราชาและแล ะ, แล ะ, และมหาราชินีเมญานีพระเจ้าข่าเมื่อ น, นั้นเองสไตลีคิดอิซาเบลคริสตินาและเชิดบุตร จึงก้มศีษาลงคำนับพร้อมๆกันส่วนพวกบุญคำและพรานพื้นเมืองทั้งหลายกับพวกลูกหาบทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองหน้ากันเองอยู่เลิกลักแล้วยืนตัวแข็งนิ่งอยู่พอมองเห็นบุญคำยกมือขึ้นพนมจรดอกทุกคนก็ทำตามยกเว้นอุะาับพะโตซึ่งไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจที่จะทำยังไงพระราชนีสว น, นน้อย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 ยินใครยอย่างเปิดเผยพี่ชายของแงซรายและเมยานียังยิ่งใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะในที่สุดก็สามารถนาเอาคณะอาคัรตุกกะชุดนี้มาถึงดินแดนของเราจนได้อีกครั้งอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของจอมพรานที่มีนามวารพินไพรวันขอเน้นให้ทราบถึงความรู้สึกภายในของพวกเราทุกคนที่นี่เราดีใจ และภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเห็นพี่และพวกพี่ทุกคนอีกครั้งนางได้เอ่ยขึ้นในกระแสเสียงเดิมของอดีตแม่เสือดาวแห่งกองทัพประชาชนเหมือนจะเป็นการพูดอย่างเป็นส่วนตัวกับเขาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาลงแต่ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังก็ได้ยินเป็นสำเนียงพูดปราศัยทักทายอย่างสนิทสนมกันเองที่สุด ที่ข้าพระองค์สามารถมาถึงที่นี่ได้อีกครั้งก็เพราะพระศิวะมหาเทพทรงเปิดทางให้พระเจ้าค่ะและด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชจอมแผ่นดินแห่งมรกรนคร น, นี้ด้วยพระเจ้าค่ะนางยังสว น, นน้อยอยู่เช่นนั้นสั่นเสียงไปมานี่ขณะนี้เมยานีได้ก้าวลงมาจากบันลังนั่นแล้ว และเมยานีก็คือเมยานีคนเดิมของพวกพี่ๆทั้งหลายนั่นแหละโปรดให้ความรักอินดูเมตตาเมยานีเหมือนอย่างเดิมเะค่ะพี่ระพินเราควรจะได้พบกันตั้งแต่วันที่พี่เหยียบขึ้นหัวถนนพระศิวะแล้วแต่เมยานีติดภารกิจไปดักรอรับทางฝ่ายของนายหญิงจึงขอให้ท่านพ่อไปรับคณะของพี่เราแยกไปรับกันคนละด้านเมยานีจึงเพ่งจะมีโอกาสได้พบกับพี่ พร้อมคณะที่นํามาในเช้าวันนี้เธอยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมนะเมยานีระพินกระซิบเบาที่สุดดีใจไหมคะกับที่พี่ได้มาพบมงกุฎไพรของพี่ที่นี่รอคอยอยู่แล้วดีใจที่ดีใจอย่างที่สุดอย่างสุดชีวิตเลยที่พี่ไม่ทราบจะกล่าวเช่นไรได้อีกแล้วละเมยานีนางอมยิม้ม เลิกขนมขึ้นน้อยๆคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากลาเค็นนะคะความลําเค็นจนเหงื่อแทบจะหยาดออกมาเป็นสายเลือดนะคะมันสุดที่จะคุ้มถ้าพี่ไม่มุ่งหน้ามาที่นี่พี่จะไม่มีโอกาสได้พบเธออีกแล้วละ่ะในชาตินี้ใช่ใช่พี่เพิ่งเข้าใจพี่เพิ่งรู้เมยาณีเอาละคะ่ะขอให้เมยานีได้รู้จักกับคณะใหม่ของพี่ทว ถ, ถึงก่อนแล้วกัน ระพินก้มศีรษะให้นางอีกครั้งแล้วออกเคลื่อนที่นำนางพยาแห่งมรกรนครแนะนำเป็นรายตัวให้ได้รู้จักไว้โดยเริ่มตั้งแต่ดอกเตอร์สแตนลีย์คีดเชิดบุตรเบร์และก็คริสติน่าตามลำดับพวกผู้ชายของฝ่ายมริกันรวมทั้งเชิดบุตรก้มศีรษะลงถวายความเคารพอีกครั้งเมื่อได้รับการแนะนา แล้วพากันจ้องตะลึงในโฉมสครานของราชินีแห่งมรกฎนครซึ่งนางก็แย้มยืนทักทายด้วยอัธยาศัยอันละมุนละม่อมเยือกเย็นกอบไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพทั้งสามอยากที่จะกล่าวสนทนาพูดจาด้วยมากกว่านั้นแต่สภาวะสิ่งแวดล้อมยังไม่อำหนวยให้จึงได้แต่ถวายพระพรแล้วกราบทูลขอพระทัยในการประธานการต้อนรับ เป็นอันดีและเมื่อมาถึงสองสาวอเมริกันที่จ้องตาไม่กระพริบอยู่ก่อนแล้วเมยานีก็มาประทับยืนจ้องอย่างสนพระไทยเป็นพิเศษทั้งเบลและคริสถวายเคารพด้วยการย่อตัวลงถอนสายบัวนางได้สรงหัดไปให้สัมผัสทั้งสองคนเธอทั้งสองเป็นเผาผิวขาวที่มีความงามมากนะ นางพญาแห่งมรกฎนครรับสั่งชมพลางยิ้มจนเห็นไรทนขาวสะอาดงามจะจนข้าคิดว่าหัวใจแกล่งปานเหล็กเพชรของบุรุษเพศผู้เคร่งศีลขนาดนักบวตรก็ยากที่จะไม่หวั่นไหวคลอนแคลนไปไดโ้โอ้โอ้เบนร้องอุทานออกมาพร้อมกับทำตาโตพลางหัวเราะขี้ขึ้น คงไม่ถึงขนาดนั้นกระมังเพคะมหาราชินีหม่อมชั้นทั้งสองคนน่ะมองเห็นตัวเองไม่ผิดอะไรกับผ้าคีริ้วเมื่อได้มาเห็นพระสิริโฉมของพระองค์ผู้เป็นจอมนางอยู่ในมหาอาณาจักรแห่งนี้เมื่อแรกที่เห็นความรุ่งเรืองแห่งมหามรกรนครก็คิดว่าเป็นบุญตามากมายแล้วแต่เมื่อได้ยนพระโฉมของมหาราชินีเมยานีก็ยิ่งเป็นบุญตามากขึ้นไปอีก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 แต่สำหรับเธอผู้มีผมสีทองผู้นี้พระนางเบือนพักอันละไมยอยู่ด้วยรอยยิ้มไปทางคริสติน่าแล้วยกหัดขึ้นแตะที่ปลายคางคริสเบาๆซึ่งแม่นักเคมีฟิสิกสาวก็ยืนสงบนิ่งตามปกติหล่อนเป็นคนร่างสูงอยู่มากแล้วแต่เมื่อเทียบกับนางพญาแห่งมรกนครคริสติน่ายังเตี้ยกว่าด้วยซ้ำไป ดูเธอจะเงียบขรึมด้วยอาการช่างคิดมีอะไรที่ไม่ปลอดโปร่งไม่สบายใจในเรื่องใดหรอคริสติน่าย่อตัวลงอีกครั้งอย่างแช่มช้ายิ้มอย่างสำรวมหาไม่ได้ไปคะหม่อมฉันเพียงแต่ยังอยู่ในภาวะตื่นตะลึงต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเห็นนับตั้งแต่เหยียบย่างขึ้นถนนพระศิวะมาสู่ดินแดนประหลาดอันสวยสดงดงามที่สุดช น, นิดที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อน ว่าจะได้พบเห็นนี่และยังไม่สั่งต่อภาวะนั้นและเฉพาะพระพักของราชินีแห่งมหาอาณาจักรในฝันนี่หม่อมชั้นสัมผัสได้กับพระเมตตาปราณีอย่างเปี่ยมล้นของพระองค์อันจะประทับไว้ในความทรงจําตราบชีวิตจะหาไม่หม่อมชั้นพบเห็นแต่สิ่งที่จมเรนตาจมเรนใจและความดีงามทั้งสิ้นนับตั้งแต่ได้ย่างก้าวขึ้นสู่ถนนพระศิวะ ดินแดนนี้เปรียบเสมือนสูงสวรรค์ไปค่ะเมยานีเบิกเนตรขึ้นพยักพักช้าๆพินิษ์ดูคริสติน่าอย่างสุดทึ่งในพระทยยิ่งสติปัญญาของเธอเฉียบคมและมีความงามก็เฉียบขาดลึกซึ้งนักเราคงจะได้เสวนาปราัยกันมากกว่านี้เมื่อสุดสิ้นภารกิจจำเป็นเฉพาะหน้ารับสั่งเพียงแค่นั้น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 ขอบใจมากนะที่อุตส่าห์บุกบั่นมาจนถึงที่นี่อีกครั้งพยะคาขอให้ขอให้พระราชินีจงเจริญโ h ้สง่า ง, งามสมศักดิ์ศรีทุกฝีก้าวย่างดีเดียวนังหนูเอ้ยสมแล้วที่เป็นจอมนางในแผ่นดินมรกรนครนี่ตาเท่าพองคอกราบทูลเบา ส่วนประโยคหลังดูเหมือนจะเป็นการรำพึงกับตนเองเมยานีเคลื่อนต่อไปที่จันทักว่านะจัน์เกิดแล้วก็เสยไม่ไง่ายทุกคนคงไม่ลืมวันคืนหนึ่งสงครามกู้ ร, ราชบัลลังก์ที่พวกเราเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมานะไม่ลืมพยาคา่ะไม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างในมรกรกนครนี่แหละทั้งจันเกิดแล้วก็เสย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 กลับขึ้นไปประทับยืนเด่นอยู่บนแท่นหน้าบันลังอีกครั้งพร้อมกับประกาศขึ้นด้วยสุรเสียงที่ได้ยินกังวานไปทั่วว่าข้าหวังเป็นที่ยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายของพวกท่านที่ได้มาพบปะเผชิญหน้ากันกลางราชธานมรกุฎนครแห่งนี้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 มิตรภาพและสามารถที่จะบุกบั่นมาได้จนถึงและสำหรับคณะอาคันตุกะที่เพิ่งจะมาถึงชุดใหม่เป็นวาระแรกนี้ข้ามีข้อแนะนำว่าเมื่ออยู่ในมรกรนครขอให้ท่านจงปฏิบัติตนเยี่ยนเช้ามรกรนคร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 ไม่เพียงแต่จะสวยส ง, งา่าสมเป็นนางพญาของที่นี่เท่านั้นนะลักษณะท่าทีและคําพูดของพระนางก็แสดงให้เห็นชัดถึงการเป็นผู้ที่มีการศึกษาอย่างดีมาแล้วทีเดียวหัวหน้าคณะกระซิบตอบอย่างงงงงนั่นสิก็ไม่น่าสงสัยหรอกแผ่นดินนี้นะ่ะเจริญสูงสุดแล้วด้วยอารยธรรมจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแลเห็นอยู่นี่ แม้จะเป็นอารยาธรรมแบบย้อนกลับไปสู่ยุคพันปีก่อนนี้ก็ตามเชิดบุษแผวเสียงลอดไรฟันออกมามหัศจรรย์จริงๆไม่น่าเชื่อเลยนี่ถ้าไม่ได้มาเห็นกับตาตัวเองอไงคริสเบลนครางเป่าลมออกจากริมฝีปากใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมหัศจรรย์ชนิดที่หาคำตอบไม่ได้ทั้งนั้น แม้แต่คุณหญิงดารินคนนั้นทำไมอ่ะก็ครั้งแรกอ่ะเราเห็นเพียงในรูปถ่ายที่ติดตัวระพิน์อยู่แล้วก็สงสัยกันว่าทําไมถึงมีหน้าละไม้ภาพแกะสลักของมกุฎราชกุมารีของนิทรรนครลงมาหาสูสารที่เราลงไปพบหีบศพสีชมพูนั่นแต่พอมาเห็นตัวจริงของผู้หญิงคนนี้ยิ่งปรากฏว่ามีค้าวหน้าเหมือนภาพแกะสลักนั่น เราก็คนคนเดียวกันคุณหญิงดารินคนนั้นน่ะมหสัจจันกว่านางพยาเมานีคนนี้ซะอีกอะ่ะคริสติน่าพึพมพำออกมาเหมือนพูดกับตนเองฉันฉันลืมลักษณะหน้าตาของภาพแกะสละักที่มหาวิหารแห่งนั้นไปซะแล้วละ่ะเบลว่าแต่ฉันยังจำได้ติดตาอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เลยคริสติน่าพูดขึ้น ขณะนั้นเองเชษถาก็กราบทูลถามขึ้นท่ามกลางความเงียบพวกเราทั้งสองฝ่ายสองคณะที่มาเยื่มเยือนจนถึงที่นี่แล้วมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เข้าเฝ้าองค์จั ก, กราทิราชซึ่งเราไม่ได้ข่าวคร า, าวของพระองค์เป็นที่กระจ่างชัดเลยว่าขณะนี้ทรงประทับอยู่ที่ไหนอย่างไรเมยานียิ้มพลายมองมาทางระพิน ซึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าของกลุ่มสแตนลีย์ท่านเองก็คงประสงค์เช่นนั้นด้วยใช่หรือไม่ท่านครานผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าข้าระพินสนองตอบทันทีสั้นๆเอาละถ้าเช่นนั้นข้าก็พร้อมแล้วที่จะนำพวกท่านให้ได้ไปพบเห็นกับสิ่งที่ได้ร่ำร้องปราถนา ในทันทีที่เหยียบขึ้นถึงแผ่นดินมรกรนครที่ได้ปกปิดมิได้ตอบคำถาม ใ, ใดๆแก่เหล่าท่านทั้งหลายมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงบัดนี้มิได้เกิดจากเล่อมพรางหรือมีสิ่งใดแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นแต่เป็นพระราชประสงค์ขององค์จักกาชิราชเองที่ให้รอจนกว่าทั้งสองฝ่ายของพวกท่านมาถึงราชฐานแห่งนี้ให้พร้อมหน้าเสียก่อนเท่านั้น ข้าจะนำพวกท่านไปให้เห็นด้วยตาของท่านเองณบัดนี้พระองค์ก็ทรงรออยู่แล้วเช่นกันรอที่จะพบกับพวกท่านทุกคนรับสั่งจบกระแสะความนั้นเมยานีก็หันไปทางผู้เท่าอรชุนท่านพ่ออรชุนพระเจ้าค้าได้ปลดเตรียมการให้เป็นไปตามพระบรมราชองค์การ นักบัดนี้สำหรับข้าเองจะไปรอคอยอยู่ก่อนที่ลานฝึกซ้อมทหารหน้าสนามชัยเมือ่อขุนพลอรชุนน้อมคำนับรับคำนางพญาแห่งมรกฎนครก็ยกหัตขึ้นโบกแก่คณะทั้งสองฝ่ายรับสั่งมาเป็นประโยคสุดท้ายว่าเราทั้งหมดจะไปพบกันที่สนามชัย และจะออกเดินทางไปด้วยกันทันทีพวกท่านทั้งสองฝ่ายเตรียมตัวเดินทางได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านพ่ออรชุนและพรมเมฆจะชี้แนะอำนวยความสะดวกให้แกท่านเองอีกสักครู่พบกันที่หมายกำหนด